นั่งตามสบายนั่งยังไงก็ได้ไม่สบายแต่ใครมีความสามารถยังก็ได้นั่งชั้นเขาก็ได้หรือนั่งก็นอนฟังอะไรด้แต่ไว้สบายนะออให้สบายถ้าอ่างนั้นไม่สบายเรืรเวองทุกขเวทนาเป็นท่าที่ผู้อาวุโสท่านสอนให้เรานั่งเป็นท่าที่มันสบายเ ส, สุดแล้ว คือนักธาตมาคือเลือกลมมันเดินเรื่องง่ายไม่งั้นเวทนาจะไม่ยืนวันนี้เราเอาบนง่ายงาก่อนวันนี้ยุมบนใหญ่บนกถินบนใหญ่นนหญแต่ว่านีบน ง, านงาน่ายๆจริงๆงวันนี้องแสดงธรรมไม่ใช่ตากมา เพราะว่ามันห่าเกียรติชงเองกินเองอัดใจซื้อขนมใหญ่ทำตัวน่าเกลียมากเลยเตียงมันไม่มีเพราะว่าอันนี้ไม่ว่างกระติตรงอะไรวัดแต่ที่สาคัญมนันนี้อดเตรียมงานมันพอเปลี่ยนเรียกวอาจารย์ไปทางโน้นเยอะ ่านไป่านมาได้กกแวะมาทางนี้ได้องเสดงธรรมก็ไม่มีพิเศษปีนี้จงเองคิดเองธรรมดาก็ไม่เป็นไรอาหารอร่อยไม่อร่อยมันไม่อยู่ที่พ่อครัวไม่ครัวอาหารอร่อยอยู่ที่เรา อ่านที่นุ่เลิศขนาดไหนก็แล้วแต่พวกอ่านนี่อร่อยอร่อยเจ้านี่อร่อยร้านนี้อร่อยธนาคารนี้อร่อยแต่พวกเราไม่กินแต่เป็นนั่งมองรู้เป็นอาหารอ่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะงั้นของจะอร่อยก็ต้องกินและมันต้องมีประโยชน์ธรรมะก็เช่นเดียวกัน ธรรมานี่ถ้าเราได้ยินได้ฟังจากพระเามครอาจารย์นนองค์ไหก็แล้วแต่ถ้าเราไม่กินคือมันปฏิบัติอาหารหรือธรรมาอันนี้ก็ ม, มีประโยชน์เลยตัวเออดีดีอุดดีฝังดีแต่จะไม่มีประโยชน์อนนนเลยไม่มีประโยชน์กั่นกแล้ว่าอาหารกินเข้าไปามให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงเจริญ เจริญเติบโตถ้าไม่กินก็่ไม่ได้ส่วนอาหารหัวใจก็เหมือนกันถ้าไม่กินไม่บำรุงไม่ปฏิบัติใจเราก็อ่อนแอไม่มีกําลังไม่มีพลัง <c oughs> กรรมฐานคนจะมีเรื่ยวมีแรงรทําหารอะไรไม่ได้มีนม้ธรรมะเรียว่าอ่านกายอ่านใจจึงสําคัญมากๆากเคยพูดอยูเสมอว่า แม้แต่พวกไขข้าวเจ็บที่เราเป็นยูงมีอยู่ก็ล้วนเกิจดจากเราเท่านั้นกินไขมันเข้าไปเยอะๆไขมันสูงกินหวานสารพัดหวานกาแฟที่เอาน้ำตาลขึ้นนั้นจะไปโทษละไมา่อย่าไปโทษเนื้อสัตว์อย่าไปโทษอะไรก็เพราะว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราไป็นคนเอาเข้าไปนั่นก็ไปว่าโรคที่มี ยุ่งในตัวเราเราเป็นคนเอาเข้าไปโดยการบริโภคคือกินสารพัดกินเข้าไปอาหารจานด่วนมากอาหารสารพัดอาหารอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่เรียกว่าอาหารขยะทุกวัม น, นมีแต่แป้งมีแต่นมสุดท้ายผลรับธ์ก็เกิดตรงกับเราดังนั้นก็บางงารเราสามารถทควบคุมได้ นันก็แปลว่าโรคเนี่ยเราสามารถลดระดับความรุนแรงได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องพฤติกรรมในการบริโภคอาหารกินอาหารฉันหารเข้าไปในทางธรรมในทางศาสนาพิชาวาทวิทยาปฏิสังขารโ้พิจารณาก่อนในทุกเรื่องที่มีอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเวลาพระท่านฉันนี่ปกติแล้วจะฉันเป็นโต๊ะเป็นกลมลงอันนั้น การพิจารณาจะน้อยมากส่วนใดญจะเน้นกันคุยกันแบบจานนั้นอร่อยจานนี้เผ็ดจานนี้เปรี้ยวจานน้ำมันจะเ น, น้นไปคุยกันแต่ว่าสายป่าสายพระเราท่านนิยมให้ฉันในบาสเหตุผลก็คือจะได้มีพิลาพิจนารณาขาบราอาหารที่อยู่ในบาส ท, ทุกอย่างกับข้าวเปรี้ยวหวานมันเคม็มอยู่ในบาหมดพิจารณาก่อนว่าก่อนที่เข้าไปข้างใน ไปตกในท้องเรามันก็ไปรวมกันพอดีไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็ไปตกอยู่ในท้องอยู่ในกระเพาะของเราพอดีอันยิ่งไปกว่านั้นวิธีการเอาเข้าหรือการเข้ากับการออกมันคู่กันโลกนี้จําไว้เสมอว่ามันคู่กันอย่างนี้ตลอดทุกเรื่องมีขึ้นก็มีลงเหมือนขึ้นต้นไม้เราจะขึ้นอย่างเดียวได้ไหม ตัวนี้มีการหลง mm hmm. มันเป็นไปไม่ไดขึ้นไปถึงยอดที่สุดมันก็จะตกลงเมือนเราขว้างเมื่อยิงหนังติึกระไปบนฟ้าเมื mm ่อจุดถึงสูงสุดที่สุดมันก็จะตกลงมาสู่ดินเหมือนเดิมเพราะนั้นเราจะได้เป็นหลงยุศฐาบรรดาศัตว์ที่มีอยู่ทั้งหลายและะาหล่สถานะที่เรามีอยู่ทั้งหมดนั้มันก็จะเหมือนเรายิงหนังติขึ้นไปบนฟ้าพอ mm hmm. ถึงจุดสูงสุด มองเงียกลับมาทที่เดิมคือบนพื้นรลกเหมือนกันกันขึ้นกันลงนี่ก็เหมือนกันขึ้นแล้วก็จะต้อ ง, งลงปราสาทของเราเกิดและก็ตายเป็นภายในจิตข้างเราถ้าเรามองลึกเข้าไปจริงหมายก็ว่าถ้ารจิตสงบปรจศจากอารมณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายนอกที่เกิดจากตาหูจมวกเลี้ยงกายเหลือแต่ใจมันก็จะสัญญาอารมณ์ที่มันคงแต่งอยู่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ ก็คือดูการเกิดขึ้นดูการดับเกิดขึ้นดับอะไรเกิดขึ้นอะไรดับให้รู้รู้แล้วก็วางครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้ที่เราทุกอยู่ทุกวันเยเพราะว่าเราดูการเกิดขึ้นรู้จกเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับเช่นความโลภเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่มันไม่ยอมดับจริงๆมันก็ดับแต่มันดับช้าเราเรยนบอกไม่เห็นเหมือนกับคนเนี่เกิดและตาย ทุกคนแต่ว่าระยะเวลามันทิ้งหา่างเราเลยมองไม่เห็นความตายนี่เร็วความประมาทแต่ถ้าเกิดได้ตายปับ๊บเดียเออเห็นทันทีเลยทีนี้จิตของผู้ฝึกดีแล้วจะไม่ใช่จิตเหมือนอย่างพวกเราท่านจะเห็นการเกิดกันดับนี้เร็วมากเกิดเร็วดับเร็วอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาในการปฏิบัติแต่ถ้าการเกิดขึ้นแล้วไม่เห็นการดับเช่นความโกรธ เกิดขึ้นแล้วรองขอ้อโกดมันดับไม่ได้สุดท้ายเป็นไงมันเป็นไฟไฟก็คือร้อนลักษณะละคุณลักษณะพิเศษของมันร้อนมันร้อนที่ไหนมันเกิดที่ไหนร้อนที่นั่นเกิดทางตาร้อนาตาตาเกิดทางหูร้อนทางหูเกิดทางปากร้อนทางปากแต่มันไปลงที่ใจสุดท้ายคือร้อนใจ เพาะฉะนั้นใจร้อนกับร้อนใจค น, นละอย่างเลยแต่คนที่ใจร้อนเนี่ยเพราะว่ามันร้อนใจใจมันร้อ น, นโดนเผาสุดท้ายสิ่งที่มันเผาก็คือจะเผาตัวเหตก่อนมันเกิดเนี่ยถ้าเราเผาตัวเองแล้วมันไม่ดับมันก็ไปเผาคนอื่นต่อไหมเนี่ยเป็นโทษละถ้าเผาตัวเอ ง, เเอ ง, เเองอไม่เป็ น, น, ปนไรแต่ไปเผาคนอื่นนี่ลปำบาย ถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาหรือมาปฏิบัติคือมากินในชีวิตประจำวันแล้วก็ยิดงๆนี้จริงๆแล้วเราถูกเผาอย่างนี้ตลอดทุกวันไม่มีวันไหนที่เราไม่ถูกเผาเราจะไปเห็นแต่สุดท้ายก็คืออืตายแล้วออกไปเผาอาก็รู้หมดแต่จริงๆเลยมันไม่ใช่เราเนี่ยโดนเผาทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่มีไปเผาไม่มีเลย เผาด้วยอะไรด้วยราคาด้วยโทรศัด้วยโมหะสิ่งเหล่านี้มันเป็นไฟเผาเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ทำให้มันร้อนน้อยลงเช่นเรารู้ว่าร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟเมื่อมันมีไฟแล้วไม่ให้มันร้อนเปนไปไม่ได้ทําไงให้มันร้อนต่อยออกห่างอย่าไปอยู่ใกล้รู้ว่ามันแดดก็หลบหาที่หลบ จะไปตากแดดถ้าตากแดดเรโอ๊ยทาไมมันร้อนจังเลยอาคุณคือตากแดดนั่งปิดไฟโอ๊ยทำไมมันร้อนจัเอาคุณอยู่ใกล้ไฟจะมันร้อนได้ยังไงเราต้องฉลาดกว่ามันแต่ทุกวันถ้าเราคิดไม่เป็นเราก็ไม่ฉลาดก็ได้แต่บ่นเหมือนทุกมันจะมาพร้อมกับร้อนทุกข์ก็คือทุกร้อนนั่นเองดังนั้นถ้าเราแยกไม่ออกทุกร้อนอะไรร้อนเพราะกองไหนเพราะรักเพราะตัวสะเพราะโมหะ เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงอันไหนที่เป็นไฟเผาเราแยกไม่ออกรู้จักว่ามันร้อนรู้จักว่ามันทุกข์ไม่ได้ถามมาทุกข์เพราะอะไรยิ่งไปกว่านั้นลึกไปอีกไม่ได้ถามมาทุกข์นะมันเป็นทุกของกายหรือทุกข์องใจก็เลยแยกไม่ออกสุดท้ายการนี้เนียกว่ปุทุกชนเพราะพอมันอุมมันหนามันปกปิดมันห๋อห้อมเอาไว้รวมมองไม่เห็น พระสิทธิที่เราสวดอทุกวันทุกวันหลังจากทํามะแล้วเราสวดอาการสันส่เป็นเป็นเมื่อการพิจารณากรรมฐานอย่างดีเลยแจกให้รู้หมดกายของเรานี้และเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าวต้งแต่หัวจนท้าท้าจดหัวพูดง่ายๆทั้งหมดเนีมันเป็นที่อยู่อะไรอันนี้คือเราจะแยกมีอ่อนทุกข์เพรอะไรทีนี้ถ้าแยกออกนิดหนึ่งจะรด้มันทุก ที่เราเดืดร้อนมาทางไหนเพราะทุกอย่างมันมีที่มามันมีที่มาเหมือนเรื่องผู้เรานี่ก็จะถามกันมาจากไหนเราจะถามอะไรไถ้าเราฟังพื้นๆเรารเออธรรมดาแต่ถ้าฟังเป็นธรรมะล้วเออมันร จ, จริงจริงเราเคยถามตัวเองไหมว่าเรามาจากไหนคือใจเราเดิมทีมาจากไหนเราก็ไม่เคยถามนี่เห็นไหม เพราะสติปัญญามันน้อยอย่างนี้ปราดันบอกวา่าเห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้เห็นเหมือนกันตาเ น, นื้ตอตาหนังแต่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันอย่าได้ถามมาจากไหนแล้วก็ตอบได้มาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เออเอเอเข้าใจละก็คือว่างนะเห็นปุ๊บจะ เ, เรารู้ว่านายกนายขอเนอีน่ยเห็นหน้าตาพระองมาจากสกนธนพุดอนขวัแก่นอุบลเออจะรู้ทัทนทีแต่ใจเราเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นทุกเรื่องทุกอย่างนะ่ะเหตุผลมันมาจากไหนความจริงมันมาจากไหนเราไม่เคยถามเพราะฉะนั้นจะนี้ไปจะนี้ไปก็หมายว่าตั้งแต่ปัจจบันนี้เป็นต้นไปให้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ที่ผ่านมาทางเราผ่านทางไหนก็แล้วแต่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางฝ้าอะไรก็แล้วแต่ นี่เป็นความสุขกับทุกถามมานิดหนึ่งมาจากไหนมันอยู่ยังไงแล้วมันจะไปยังไงก็คือให้รู้จักการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาสุดท้ายปลายทาง ม, มันต้องเป็นอย่างนี้คือรู้จักการเกิดด้วยรู้จักการเกิดขึ้นด้วยคือตั้งอยู่นั่นแหละคือรู้จักการดับด้วยทั้งครบสาอย่างสาประการนี้การปฏิบัติของเราก็าจะเจริญก้าวหน้า ถ้ารู้อย่างนี้รู้การเกิดเหมือนกับรู้ความโกรธเอ้ย น, น, น, น, น, นั้นมันโอ้โหมันมันโกรธใจเลยนะี่อันนั้นรู้คนอื่นนะไปเห็นโอ้โหอนี้มัน ม, นมอโหใหญ่เลยคนอื่นมโอโหนะรู้ลายตัวเองมอโมโหแต่ไม่รู้เห็นไหมสติเรือ่องนี้มันสติสําคัญมากพึ่บอกสติมีค่าจริงๆไปพูดที่ไหนก็จะพูดอย่างเนี้ยหาสติอาสตังทัศน์สติเกิดมันก็ได้สตังมันก็นมีค่านะ รสติมีค่ามากกว่าสตังมากๆได้ธรรมดาสตางในใช้แล้วหมดไปหมดแล้วหมดเลยสติถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่หมดใช้เท่าไหร่ไม่หมดมีแต่ประโยชน์มีคุณค่าเพราะสติยัเป็นนมามธรรมไม่ใช่รูปธรรมคือไม่มีหมดนั้นที่เราฝึกอยู่ทุกวันทุกวันเพื่อฝึกให้จิตของเรานะ่ยมีสติรับรู้ทั้งหมดที่เป็นอยู่ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาสองคำเนี่ยเราเขา สำคัญที่สุดจิตเราประยุทธ์ตรงนี้เมื่อไรก็ตามถ้าจิตเรามีเรามีเขาเช่นตาของเราหูของเราจมูกของเราคของเราแม่ของเราทรัพย์สินเงินทองของเราทุกอย่างเป็นของเราเองเจ้าของนี่ของเราส่วนของเขาหน้าดอกของเขานี่เขามีเรามีเขาอยู่ในจิตอยู่ในใจมันไม่มีวาง คำว่าเราเขาคืนจิตเนะี่ยมันไปยึดไปถือไปแบกเอาสิ่งเหล่านี้มันไม่วางถึงเมื่อไม่วางมันก็ลบากก็เหมือนกับยึดอันนี้อันหนึ่งก็ถือกับแบกไปอันหนึ่งคือแบกไปเรื่อยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราแบกอะไรมาบ้างแบกอะไรก็แปลว่าเราเก็บอะไรว่างไว้ในใจนั่นคือแบกโดยที่เราไม่เคยเอาออกเลยไม่เคยปล่อยเลย ถ้าแบกของบอกว่ามันหนักแล้วเกินเอาเรายังวางพอวางปุ๊บมันก็จะเบาเห็นไหมมันเบากายเพราะมันหนักกายแต่ใจมันไม่หนักนะไม่เกี่ยวอะไรเพราะที่หนักมันหนักกายพอเราออกระวางเรื่องกายมันก็เบาเห็นไหมจิตของเราเหมือนกันถ้าเราแบกเราเรียกว่าไม่ต้องอะไรมากแม้แต่จะเป็นนามธรรมความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งคือแบกของตัวเองเนี่ยมันก็มากพอแล้ว จนไม่หวาดไม่ไหวคือสัญญาเสัญญาที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเป็นว่าสัญญาดีก็ดีสัญญาไม่ดีก็ดีมันแบกไม่หวาดไม่ไหวแล้วยังยังไม่พอเราจะเป็นภาระไปแบกสัญญาไปแบกความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งของคนอื่นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนี่ยพอเราคิดไม่เป็นเพราะนั้นความคิดจึงเป็นจุดเบื้องต้นจุดเริ่มต้ น, ตนการจดำเนินชีวิต ให้มันถูกต้องตามตํานองคองธรรมนี่คือจุดเริ่มต้นในมรรคแปทยที่เราสอนไปเมื่อกี้ในตธรรมจักรที่กระจัดทแรกคือสัมมาทิฏฐิเห็นไหมนี่คือตัวปัญญาเนะวลาเอาขึ้นมาจริงเอาปัญญาให้ก่อนแต่เวลาสอนสิงสารที่ปัญญาเอาปัญญาไว้สุดท้ายแต่ในทางปฏิบัติจะเอาปัญญาขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิเห็นไหมในตัวสวดเมื่อกีรนั้นปัญญานะั้นนหะ เพราะว่าปัญญาได้เกิดจากความคิดถ้าเราคิดไม่เป็นสิ่งที่ตามมามว่าจะเป็นคําพูดคือการกระทําหรือพฤติกรรมที่ตามมามันเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับคิดอื่นครบคิดอื่นทำลายเราไม่ได้เพราะมันคือความิดของเขาไอ้ตัวที่ทําลายตัว เ, เองคือตัวเรานั่นคือระเบิดมันเป็นระเบิดเวลาตั้งเวลาเอาไว้เพื่อถึงเวลามันก็จะระเบิดระเบิดอะไรระเบิดอารมณ์ใส่กันเห็นไหม แต่โดยที่เราก็ไม่รู้พอระเบิด อ, อ้าตายนแะล้วระเบิดไปแล้วมันทาลายไปแล้วอู้ไม่ได้เราก็าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่พิจารณาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัติแนวนี้จะไม่มีทางรู้เลยเมื่อมีทางรู้ก็แปลว่ามันมีผลต่อชีวิตเราผลก็คืออะไรมันแสดงออกทางพฤติกรรมของตัวเราเอง ไม่ได้เกี่ยวกัรศึกษาสูงตำ่ำหรือรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวกันเลยไอ้ที่เ ร, รียนเยอะเรีอนสูงเป็นความจำดีดีฉลาดดีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรงนี้มีแค่ไว้ดึงต้องความค่ามาก ม, มายมหาสารตําแหน่งใหญ่ตก็ไม่เกี่ยวกันเลยเห็นไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ตัวเรามถึงบอกว่าสําคัญมากๆือกายว่าจใจสาอย่างนี้จําไว้ให้ดีไอ้ตัวสาอย่างเนี่ยตัวที่ทำให้เราสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ลําบากก็ได้เดือดร้อนก็ได้ ถามว่าใครเป็นคนควบคุมก็ตัวเรากายของการกายของเรากายของเรานี่และเห็นไหมพอขึ้นต้นจบนี่โอ้ทัศมันเป็นธรรมะนี่จิตมันเป็นธรรมะแต่นี้มันกหลงเลยนะอะยังโคขเมกาโยอันนี้เราสวดประจําเราก็เหมือนธรรมดาเปิดๆ เ, เ, เฉยๆมันก็เกินํานะอกจริงๆนะว่ากายของเรานี่และโอ้อันนี้เป็นที่มาจริงๆว่ามันหนักหนาสาหนัก ถ้าต่อจากนั้นเราไม่คิดคิดต่อหรือพารณากันไปเนี่ยมันไม่เกิดธรรมะมันไม่เป็นธรรมะเดี๋ยวคิดไม่เป็นธรรมะนั้นเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เสมอว่า้ธรรมะที่มีอยู่ที่เราศึกษาก็ดีปฏิบัติก็ดีมันต่างกันตรง น, นี้เหมือนคนมีเงินก็คนรู้จักเงินมันต่างกันสิ้นเชิงคนรู้จักธรรมะคนกับคนมีธรรมะต่างกันโดยสิ้นเชิงถามว่าใครมีมาก คนมีเงินน้อยแต่คนรู้จักเงินมากทั่วโลกเลยใครๆก็รู้จั ก, กเงินว่ามันมีค่าเหมือนธรรมะคนที่เรียนรู้ธรรมะคนปฏิบัติเรียนเยอะมากธรรมะัดอันบรรยายทั้งวันก็ไม่หมดแต่ว่าธรรมะมีหรือเกิดขึ้นในใจจะรู้เรื่องหรือไม่ ในเชเกินนาขึ้นม า, ยามอย่างพวมีอคิดมองไปเออมันเป็นธรรมะจบทันทีมันเป็นธรรมะเรากตน้นพอรู้เออเป็นธรรมะใจก็เริ่มมีธรรมะใจมันมีธรรมะแต่คนรู้ธรรมะมันต่างกันเป็นอย่างนี้ น, นี้ถ้าเราจะใช้อย่างนี้พิจารณาบ่อยในชีวิตประจาวันมันก็ค่อยมีมากขึ้นสติก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยก็เหมือนกับแสงสว่างเมื่อก่อนมันมืดคือมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลย ตาเนื้อตาหนังมองเห็นแต่มันไม่ได้เข้าใจคือไม่มีปัญญาเริ่มมีปัญญาปัญญาท่านนีเปรียบเหมือนแสงสว่างมันจะคขจัดถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นขจัดความมืดในความมืดนั้นแม้แต่เห็นห้อยนิดๆในไหนแสงหน่อยมันยังขจัดความมืดได้แต่มันก็มีแค่นั้นท่านมีหลายตัวหลายดวง มันก็จะกระจัดความมืดความมืดก็ค่อยเพิ่มความสว่างขึ้นอย่างพวกเรามีหลอดไฟหลอดไปเปิดเพราะมันก็ติดมันก็กระจัดความมืดที่อยู่ทันทีตอนการข้ามถ้าเราปิดหน้าขนานี้ปิดไฟปั๊บนมันก็จะมืดทันทีมองไม่เห็นทั้งๆเราก็อยู่ด้วยกันอยู่กันเป็นร้อยก็อยู่เป็นร้อยแต่มองไม่เห็นซึ่งกันและกันจิตหรือวิญญาณของพวกเราเช่นเดียวกันถ้ามันมืดมันบอดแล้วมองไม่เห็ น, นเลย ความดีของคนกบมองไม่เห็นความไม่ดีคือกำลังเองโดยเฉพาะตัวเราเองมันจะมองไม่ออกแต่ว่าของไม่ดีมันง่ายมากแต่ทั้งหลายของเหม็นของเน่าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันโอ้นิดเดียวประธานท่านอุจจาระเนี่ยนะถ้าไปวางท่ามไม่คีด้เดีย๋ยววงแตกเลยเห็นไหมว่าเราจะไปสำคัญว่าของ บ, บางอย่างของเล็น้อยมันไม่มีอะไรหรอก ไม่ผลอะไหรอกมีผลยาพิษนิดเดียวนะถ้าเราฝ่ามือร่างกายเราเป็นแผลเข้าสู่ร่างกายของเรามันมีผลนะแต่ถ้าฝ่ามือร่างกายเราผิวหนังไม่มีแผลมันก็ทำไม่ได้พิษอยู่ที่งูไม่มีอะไรมีผลได้เลยตราบที่งูกัดเราพิษเข้าสู่ร่างกายเรานั่นแหละมันจึงมีผลคือเป็นผลร้ายเพรา ะ, ะงูพิษสารบัดทำอะไรเราไม่ได้ เหมือนกันอารมณ์ความดีความไม่ดีที่อยู่ข้างนอกมันเป็นงูพิษถ้ามันอยู่ข้างนอกมันไม่เหยียดมันก็ไม่มีผลใดๆเลยแต่เรารับเข้ามานี่สิเข้ามาเอาไว้ในใจมันกลายเป็นพิษทันทีเพราะว่าเราเอาพิษเข้าตัวเราสุดท้ายมันก็เป็นโรคเป็นภยัยถ้าเป็นร่างกายเอาอาหารทนี่มันเป็นพิษ เอาของบูดของเน่าของเสียกินบริโภคเอาไปนั้นนี่ผลต่อร่างกายแน่นอนใจของเราเรเียกเหมือนกันถ้าเราเอาขอเอาเอารมณ์มันเป็นพิษเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นอันตรายตอ่อจิตใจคืออารมณ์ไม่ดีทั้งหลายแหละเอาบรรจุไว้ในใจก็เหมือนกับเอายาพิษเอาไว้ในใจคอยสะสมทีละนิดทีละหน่อยมากขึ้นมากขึ้นอันเดือดร้อนนะอย่าพิษกคืออย่าพิษผลขึ้นมันคือพิษมันไม่มีดีเลย มันกมีเชือจางที่มากขึ้นที่เพิ่มขึ้นนี้เราเลือกได้เหมือนงูสิงสาลาสันแต่เราก็เลือกได้เราก็รู้เออนะมันพิษนะมันมีพิ ษ, นะพษเราก็ไม่ขับไลเรารู้ว่าพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันเป็นพิษมันมีพิษถ้าทำแล้วมันมีผลต่อจิตก็คือจิตเราเนี่ก็อย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทำอย่ที่เราคิดไม่ได้เพราะวะะ่าสติเห็นไหมสติ ส, สาคัญจริง เป็นตัวแรกถ้าเราชัตติกันเราลิกนึกออกได้ทันทียิ่งเร็วก็ยิ่งเป็นประโยชน์สำหรับเราไม่เคยฝึกแล้วมันจะเกิดช้ามันก่าจะรู้ตัวว่าโกรธออกไปถึงไหนแล้วตายผมไม่น่าเลยไม่น่าพูดเลยไม่น่าคิดไม่น่าทำทำไปได้ยังไงเอาไปแล้วหมดไปแล้วปังไปแล้วก็ไม่เป็นไรโอ้ก็นจิโกน้องก็มาตั้งไป ม, มันตั้งหลักได้ มันคิดใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยมันพูดใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยกิจการด้านการอื่นลม้มเหลวเจ๊งไม่ประสบความสำเร็จมันลําบากนะจะกู้คืนม่จะติดแจเราไม่ใช่มันเกิดไปแล้วันพลาดไปแล้วมันพลังไปแล้ ว, ลลวตั้งใหม่คือตั้งสติใหม่ก็คือสตาร์ทคือเริ่มต้นใหม่เเริ่มต้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกวินาทีแต่ว่าเราไม่เรื่องที่จะเริ่ม แรกเกิดกินแล้วก็จะจมอยู่อย่างนั้นมันจมอยู่กับประเด็นมันผิดไปแล้วมันผดไปแล้วมันดีไปแล้วมันเสียไปแล้วมันเน่ามันเหม็นไปแล้วมันหอมมันหอมไปแล้วจบไปแล้วอาหารอร่อยจบไปแล้วมิจฉาเจออกมามันมันไม่อร่อยแล้วออกไปเข้าไปมันอร่อยเนะเป็นธรรมะทุกขณะจิตทุกวันถ้าเราคิดได้อย่างนี้จิตมันก็จะคิดเร็วแต่ระวังนิดนึ่งถ้าเราคิดได้นี้ถ้าสติมันไม่เข้มแข็งพอมันจะเกิดความลำคาน ลำคันคนนั้นคนนี้ก็รุนแรงอีกแล้วเอาฟุ้งซ่านลำการกดไม่อยู่เอาไม่อยู่แต่ถ้าสติเราหนักแน่นมากพอเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นในสมาธิข่มมันได้มันจะไม่ดีมันจะไม่พุ่งมันจะทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นแก่เรานั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ใช่เรื่อ ง, งอยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยของดีมีตัวเราเนี่ยของเสียก็มีตัวเราเราเมีทั้งดีและเสียอะไรมากกว่าการอยู่ที่การกระทําของเราเอง เราจะทําให้มันดีค่ อ, คอยๆเพิ่มขึ้นคือบวกเรื่อยๆจะให้มันเสียก่ลอ็ลอลอ็อกอกลบออกคิดของลอบพูดข อ, ลองลบทกทำของลอ็ลอกล็อกทุกวันนะดูที่ว่ามันจะเหลืออะไรในชีวิตไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายภาคบวกขึ้นพุ่งญาติโกกฏวิจารณ์ไม่มีใครครบเลยมันล็อกนะเห็นไหมไม่มีใครครบอะ่ะถ้าบวกมันจะเพิ่มจะได้เพิ่มเพื่อนมากขึ้นเม็ดมากขึ้นญาติธรรมมากขึ้นกัลยาณม็ดมากขึ้นเนะี่ยมันไม่ดีเลย ทำไมเราไปเลือกทางลบอ่ะตัวตนนี้ไม่ดีทุกอย่างเรากําหนดเองนะไม่มีใครกำหนดให้เรากรากำหนดเองได้เส้นทางนี้นบุญิาของเราเนี่ยแนะนําคำสอนพวกเรามาชี้ให้เราเดินมาสองพันกว่าปีมาอ่นั้นแล้ทั้งชี้ด้วยนะเรือทั้งแนะคือบอกทั้งนําทําให้ดูคือเดินคือปฏิบัติทา ในการนึงปฏิบัติให้ดูทำให้ดูจนถึงสุดท้ายปลายทางเป้าหมายถึงแล้วชี้กวกมือให้เราเดินมาทางนี้นะานทางนอกทางนอกนี้ไม่มีนะมันเข้าปากโดงนะถ้าทางนอกนี้เส้อื่นมันลำบากมันเนิ่นช้าสุดท้ายก็วัตตะควนเวียนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มันถึงทางมาจากไหนตอบไม่ได้ไม่รู้มาจากไหน ตัวเองยังตอไม่ได้ น, นี่คือโมอหะนะมาจนหลงก็นจะได้ขนาด น, นท่านทั้งหลายจะไปที่เรามาถูกทางนะเราเป็นผู้หลงทางมานานดังนั้นผู้เจ้าชี้เราเออเราฐานถูกแล้วเห็นทางแล้วรู้จักทางเดินแล้วก็อย่าไปกลับพันหลังก็ไปอีกอะไรที่มันผ่านมาแล้วอย่าไปกลับพันหลังแม้แต่มองไม่เปประโยชน์ให้เดินไปข้างหน้าวันละก้าวันละคืบ ทำไปเ่อความดีทั้งหมดดีทั้งความคิดการพูดการกระทําเยอะแยะวิธีทําความคิดไม่ใช่นาฬิกาตาเปล่านาอย่างพวกเร า, า, า, ยยามีเยอะแยะแต่คิดดีจะเป็นตัวดีเราก็พูดดีทดําดีนี่เป็นความดีทั้งหมดเแต่ที่ดิทั้งหมดนี่ตัวที่ชี้ให้จิตตายเราคิดดีพูดดีเป็นตัวชีวัดก็คือศีลวันที่ปนนัญญาไมีปริยัติล้วนเราก็พูดกันีมาเป็นปันปันปีแล้วแต่เาอาควาจริงก็ศีลก็ไม่รู้จักอืมอยู่ในตัวเราก็ไม่รู้จัก สิ่งสมาธิที่มีอยู่ตัวก็ไม่รู้จักกระเด็นท่องบนไหล่ด้วยเป็นสัญญาที่เรามาทั้งหมดเป็นสัญญามันไม่ได้เป็นปัญญาเลยเลยดังนั้นที่เราทําทั้งหมดนะี่คือปัญญาปัญญามาจากนั้นมาจากสติท่านบอกว่าวะสะติปัญญาเป็นของมีค่ามากที่สุดในโลกแกว่งเงินทองก็ตีราคากันบาทละพันบาทละหมื่น2อ0 0มื0 0สองนมันมีค่ามากกว่าสติ น, น, น, น, นสะสติกับปัญญามีค่ามากที่สุดนั้นขอเราทั้งหลายได้ หาสติปัญญาอย่าเป็นเน้นหาสตังจนมากเกินไปจนจิตใจเกิดมีนมหาหลงหาไปหามาหาจนสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้ใช้แล้วลงบากลูกหลานต้องวิ่งตึงแย่งกันอีกโอ้เดือดรอ้อนอันนี้เรเียกว่าเราจะกคิดไม่เปนน็นของที่มีอยู่ใช้ให้มีประโยชน์ให้มีค่ามากที่สุดเท่าที่มากได้ โดยการทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่ตรงไหนก็แล้วแต่กลับใครก็แล้วแต่ได้เหมือนกันหมดคือทําบุญทาที่ไหนก็เป็นบุญแต่ทําบาปทาที่ไหนก็เป็นบาปพูดดินบนพูดยังไงมันก็บนถ้าบนบาปย่างไงก็บาปนะเราเลือกเอาซึ่งเราเลือกได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือไปเลือกหรือว่าอยู่เฉยเฉยมันก็เป็นกลางคือเสมตัวไม่ขาดทุนไม่อะไกันไลนั่นคือจิตเป็นกลางคือเป็นอุเบกขาลม มันก็เสมอตัวแต่เมื่อไปทางหน่นะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือดีก็ไม่เอาชั่วกว็ไม่เอาคือไม่ต่างนัน่นคือพระนิพพานพระนิพพานต้องทิ้งนะทิ้งทั้งหมดความดีก็ไม่เอาความชั่วก็ไม่เอาซึ่งต่างกับพวกเราอยังยงัยงมีอยู่ก็เพรายังอาศัยบุญนี้อยู่แต่ถ้าท่านข้ามไปฝั่งโน้นแล้วไม่จําเป็นของบุญไม่มีแล้วเรือเล่มนี้ก็ทิง้งคือสังขารร่างกายที่เราอาใช้วนเวียนว่าอยู่ในวัฏสสารก็ทิ้งหมด ท, ท้ายก็เลยติดจิตดวเดียวที่ไปอยู่ข้างหน้าเจตีแบกขา้างหน้ามันต้องเบาต้องไม่มีสสารใดๆตั้งสิ้นเลยทันเมืนจะแบกภาระนั่นนี่นูน่นก็บาเข้าบา้ า, ายบาผวาสารพัดอีกไม่มีทางที่จะไปฝั่งโน้นได้คือพระนิพพานได้อันนี้คือธรรมะที่ฝากผู้เราในวันนี้วันเจมกติก๋งวันนี้เราก็ได้ทั้งเรียกวบุญทางกายบุญทางใจวันนี้ก็เอาบุญทางใจไปก่อนพรุ่นี้เป็นบุญใจก็เอบุญทางกายเรียกว่า สังฆทานธรรมทานติณทานการทานกล่ากันไปเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นบนแต่ว่าวิธีเป็นบญที่มันง่ายที่สุดสะดวกที่สุ ด, ส ด, สดไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็คืออย่างเนี้ยปนมัดจําเป็นคือไม่เสียสักบาทเลยนัตอนนี้แต่ผลหรือวา่าอริสงเพราะมันมากมายมหาศาลเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้เองมันก็ขอฝากธรรมะ ท, ทั้งบดทั้งหมดที่เราได้ยินในฟังในวันนี้อย่าลืมนี่คืออาหารด่านไปแล้วต้องไปกินนะ ถ้ากินมันไม่ได้ประโยชน์ต่อจิตใจใดๆเลยคือจิตใจไม่เจริญขึ้นไม่กําลังเรื่องไม่เจริญในธรรมแต่ว่าร่างกายกินไปมันก็เจริญอาหารนี้ไปเรื่าร่างกายมันเจริญแต่จิตนี่ถ้าเราไมปกินสิ่งนี้ไม่มีทางเลยต่อให้อยู่เป็นร้อปีมันก็มีความเจริญคือมีการพัฒนานี่เองก็อ佛法ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นกําลังใจของเราทั้งหลาย ให้ปฏิบัติแล้วก็เดินกลับไปข้างหน้าทุกคนทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขเจริญในหน้าที่การงานเดินเดินทางกลับไปโดยสบาทุกคนทุกท่านวันนี้ขอฝากไปเพียงเท่านี้คุ